สี่จุหนึ่งแปดเราเลือกอนาคตด้วยตนเองร่างกายของเราถูกบังคับมาตั้งแต่แรกเกิดวงเล็บเปิดเช่นถูกบังคับโดยกฎหมายประเพณีวงเล็บปิดแต่จิตใจของเราสามารถเลือกในวงเล็บอนาคตได้ เช่นถ้าเราสะสมแต่ความโกรธความเศร้าหมองก็ตกนรกถ้าสะสมความโลภก็เป็นเปรตถ้าสะสมทิฐิมานะก็เป็นอสุรกายถ้ามีศีห้าก็เป็นมนุษย์ถ้ามีเฮริโอตัปปะก็เป็นเทวดาถ้ามีพรมวิหารก็เป็นพรมดังนั้นอนาคตของเราจึงเป็นไปตามกรรมที่สะสม ถ้าอยากไปสุขติจำเป็นต้องมีสติเพื่อให้เกิดคุณธรรมฝ่ายดีแต่ถ้าจะพัฒนาจิตจนเป็นอิสระจากความบีบขั้นทั้งปวงก็ต้องมีสัมมาสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจจนเกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพาน